ผู้ใฝความเจริญในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลายวันนี้ควรจะได้พูด ก, กันในเรื่องของอมหาสติปัฏฐานซึ่งมันคุมคุมเกลือเกรือกันอยู่ทุกวันที่ส่วนมาก ปฏิบัติทำตรงไหนก็พูดกันถึงเรื่องสติปัฏฐานสติปัฏฐานพูดกันถึงเรื่องสมถะบ้างวิปัสนาบ้างอะไรต่ออะไรพวกนี้ความจริงเรื่องสติปัฏฐา น, นจะว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายก็เข้าใจง่ายจะถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจยากก็เข้าใจยากไปสันหน่อย คือบางทีก็เห็นว่าเรื่องของสติปัฏฐานนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และก็สาคัญจะต้องตั้งอกตั้งใจทํากันจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทํากันอย่างเป็นพิธีกรรมต้องปีกออกจากบ้านจากช่องต้องไปโบว์ต้องไ ป, งไปเก็บเนื้อเก็บตัวที่เรียกว่าเก็บอารมณ์เข้ากัรมาฐานกัน <c oughs> จริงจริงจั ง, จง เ ร, เรื่องวิจารณ์วิปัสนาจะต้องไปเข้ากรรมาฐานกันเ <c oughs> มื่อมีการเข้ากรรมาฐานแล้วก็มีการออกจากกรรมาฐานปัญหาว่าทําอย่างไรเสียงจะเข้าใจสาระแก่นสารเอ็ดเซนส์ความสําคัญของสติปัฏฐานถ้าเข้าใจถึงเอ็ดเซนส์ถึงใจความแก่นแท้สาระ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 กรมาา voy, กรมฐ า, านคอนโวยกรรมฐานแคปซูลตั้งชื่อเอาเองคอนโวยก็คือไปกันเป็นหมูเป็นกลมไปกันน้าเหมือนรถขบวนคอนโอยขบวนรถบรรทุกของชาวยุโรปชาวอเมริกาเขาเรียกว่าคอนโวย์คอนโวยไปกันเป็นกลมเป็นหมูเป็นฟูมีอะไรจะได้ช่วยกันเราทุกวันนี้ก็มีกรรมฐ า, านคอนโวย แล้วก็ยังมีกรรมฐานแับซูลคือกรรมฐานจะต้องเข้าไปไม่ต้องทำอะไรตีนไม่ตีนฮึกโชคเสิ่งตัวอย่างต้องให้คนอื่นมาอานวยความสะดวกให้หมดเหลือแต่ยังไม่ได้ป้อนข้าวเท่านั้นหนักไปกว่านั้นเป็นจะเหลือแต่ยังไม่ได้เคี้ยวดีๆแล้วก็ป้อนเข้าไปในปากคันเท่งทำไมคนอื่นก็ทำให้หมดนี่มันน่าคิดนะ การปฏิบัติธรรมนั้นมันจะต้องเป็นไปเพื่ออาเหตุหรือว่าป้อมไม้แปลประการที่เรียกว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัยวิลาขะวิสังโยขะอภิจยะอภิจจตาสันตุทีปวิเวกะวิริยาลัมพะสุขรารตานี่เรียนกันมาเรียนกันมาแล้วนะคำชันตีน หรือว่จะเป็นน้ธรรมชั้นตีเนะื้อมมันไม่ได้นะธรรมชั้นไหนเสร็นไปเพื่อความอเบื่อนายความจางคายความไม่ยึดมั่นความไม่พอกพูนเป็นไปเพื่อความยินดีเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความปารบความเพียนเป็นไปเพื่อความสงบสงัดปรีกตนออกจากเพื่อนไม่กุ๊กนขะี้ เป็นไวเพื่อความเรียงง่ายตัวสุดท้ายสุภาตาในนี่เกิดเป็นกรรมฐานขึ้นมามันยากไวุ่นวายไปหมดคนอื่นเขต้องไวุ่นวายไปด้วยยากโยงไปด้วยเหลืออย่างเดียวเพียงแต่ยังไม่ได้เป็นนั่งต้อนข้าวกรรมฐานเท่านั <c> ้น <oughs> แต่พูดอีกอันหนึ่งก็น่าอนุโมทนาสาธุการเมืองไทยนี่ดีนักบวชในประเทศไทยนี่บุญหลายโชคดีที่สุด จะมีใครต้องการประพฤติปฏิบัติร่วมกันจริงๆจริงๆก็มีพร้อมทุกเมื่อที่คนจะอำนวยความสะดวกให้หรือจะให้ป้อนข้าวก็น่าจะต้องมีคิดว่าจะมีคนศรัทธาทังขนาดจะนั่งป้อนข้าวให้กรรมฐาน <c oughs> ที่ข้าวกรรมฐานแต่ว่ามันผู้ประพฤติปฏิบัติกรรมฐานนั่นนะซึ่มันจะเอาจรกันจังหรือไม่ถ้ามีการข้าวแล้วมันมีการออก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 นั่นคือวิปัสนาแท้ๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมถะเลยเรืสมถะและวิปัสนามันก็น่าจะได้พูดกันเอกครั้งหนึ่งสักเรื่องหนึ่งแต่ะพะวันนี้มาพูดถึงเรื่องกันสาาหัวใจของสติปัฏฐานอันเป็นหอนทางแห่งการปฏิปัติอุยปัสนากรมมัฐานโดยตรงไม่ใช่ทางอ้อมเลย โดยมนมันจะอยู่เนื้อพิธีกรรมเนื้อพิธีรีตองทั้งหมดถ้าพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานนี่อยู่เนื้อพิธีกรรมพิธีรีตองโดยไม่ต้องไปคอกกรรมทอกรรมาทานโดยไม่ต้องไปโอกาสะโอกาสนะโอกาสนี้ไม่รอมันเลยเพราะกิเลสมันไม่ได้รอให้เราโอกาสะโอกาสะมันกระทบเมื่อไรมันก็เกิดขึ้นเมื่อ น, นั้นเมื่อใดตาเห็นรูป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 เช่นว่าสติปัฏฐานไม่ใช่หลักการที่จํากัดว่าจะต้องปตัวหลบลีไปนั่งปฏิบัติอยู่นอกสังคมเชื่อฟังให้ดีนะสติปัฏฐานนี่ตามพระสูตรต่างๆก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปนั่งรับหูรับตาตั้งท่าตั้งทางมันจริงจริงางลีออกไปนอกจากสังคมหรือจําเพาะในการเวลาตอนใดตอนหนึ่งคือว่าไปปฏิบัติธรรมโดยเหตุ น, นี้ เรื่องสติปัญญาจึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปตั้งแต่สติหยาบๆที่ใช้ต่อไปประจำวันทุกวันทุกขณะช่วงขึ้นมาเป็นสติกลางๆรู้เท่าเอาทาันอารมณ์ลึกละเอียดขึ้นมาเห็นความเกิดความดับความเสื่อมความเกิดขึ้นความเสื่อมไปสิ้นไปของสิ่งทั้งหลาย จนเกิดอาการปล่อยวางจางคายประหารสลัดคืนดับสนิทว่างจากความยึดมั่นถรือมั่นเรียกวิปัตนาเห็นไหว่าโดยแก่นสารสำคัญของสติปัฏฐานสี่แล้วก็เป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานี้มีจุดที่ควรใช้สติคอยกากับดูแลทั้งหมดเพียงสี่แห่งเท่านั้นเอง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 และอีกชนหนึ่งก็ภาวะจิตที่เป็นไปต่างๆเรื่องราวของจิตใจตนเองนั่งอ่านใจอยู่ตลอดยืนอ่านเดินอ่านนอนอ่านา้ใจเป็นยังไงใจสงบใจวุ่นวายใจดีใจชัว่วใจร้อนใจเย็นมีราคะโทสะโมหะอย่างไรจะรู้จักมันจกมันน่จุดนึงแลวก็อีกจนหนึ่งความคิดนึกไตรตรองต่างๆมันคิดอะไรขึ้นมามันเป็นอะไรเรื่องอดีต่ออนะนาคตเรื่อง เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรต่างๆเกิดขึ้นรู้มันนั้งนั้นถ้าเราดำเนินชีวิตโดยมีสติคุ้มครองณนะจุดทั้งสี่มีแล้วไม่จุดใดก็จุหนึ่งเอาอีกจุดใดจุดนึงคือมันเป็นหัวหน้าก็ได้ก็จะช่วยให้เป็นอยู่อย่างปลอดภัยไร้ทุกมีความสุขผองใสเป็นปฏิปทานนำไปสู่ความรู้แจ้งอริยสัจธรรมนั่นไม่ต้องไปดูตรงไหน กายมันก็มีอยู่ทุกข์เมื่อจะบวชเป็นพระเป็นเมนเป็นชาวบ้านเป็นแม่คร้าวแม่ชีอะไรต่างๆมันก็มีกายและในกายนี่มันก็มีเกิดมีเสื่อมนีม่พฤติกรรมของมันจะมันเกิดมันเสื่อมอยู่จะอยู่อย่างไรจะยืนเดินั่งนอนมันก็มีเวทนาตาหูจหมูกลิ้นกายใจกระทบข้ามก็มีความพอใจไม่พอใจมีสุขมีทุกข์ดูได้ตลอดไม่ต้องปลีกหนีจากสังคมไป น, นั่งแอบดูตรงไหน จิตก็เหมือนกันยืนเดินนั่งนอนน่าตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับไปจิตก็ต้องทํางานอยู่ทุกเมื่อมีภาวะอย่างไรก็รู้จักมันส่วนความคิดตั้งเป็นธรร ม, มารมทั้งหลายทั้งปวงมันก็เกิดเพราะมันอยู่ตลอดอย่างนั้นแหละเพราะเหตุนั้นการจเจริญสติปัฏฐานจึงไม่มีพิธีรีด อ, องเราต้องเป็นั่งปฏิบัติธรรมปลีกตัวออกจากสังคมอยู่ในป่านในเขาไม่ต้องเลยแต่ถ้าสมาถะ ต้องมีขั้นตอนมากเลยทีเดียวเพื่อความสงบแห่งจิตเพื่อจะเอาให้มันเกิดฌานเกิดอภิญญาอะไรต่างๆเขาต้องว่ากันทีหลังที่เราจะเห็นได้ว่าข้อความแสดงในปฏิสถานสติปัฏฐานแต่และข้อละข้อที่เรามาจะเห็นได้ว่าในเวลาปฏิบัตินั้นไม่ใช่ว่าที่จะใช้สติเพียงอย่างเดียวแต่มีทำข้ออื่นๆควบอยู่ด้วยทำที่ไม่ได้พูดถึง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 เพียรระวังเพียรละความชั่วเพียรสร้างรักษาความดีอันที่สองคู่ของมันคำว่าสัมปชัญนมีสัมปชัญญะคือตัวปัญญาอันที่สามสติมามีสติหมายถึงตัวสตินี่เองรวมความแรกก็มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแต่พอพูดถ้งสติเราลืมสัมปชัญญะทุกเที่ยวเลยไม่ค่อยพูดถึงกันตัวสัมปชัญญะในสําคัญ แต่ถ้ามีแต่สติสติสติสติไม่มีตัวสัมปชันยััวเข้าไปรู้ว่าสติทำงานหรือสติไม่ทำงานเนี่ยเป็นนั้นว่าสติเก่งแค่ไหนสูงแค่ไหนก็จะล้มล้มละลายบางทีสติจะมากไปกลายเป็นอุปทานเป็นวิปตนูปกลเลตไม่ใช่ว่าไม่เต็มบาต่มันเกินบาเลยนี่ก็เป็นบุงเพราะมีสติมากเกินเินพอดีไม่มีเบรก เกินพอดีไม่มีอินสเปคเตอร์ไม่มีผู้ตรวจงานของสติคือตัวสัมปัญญาอย่าลืมถ้าพูดถึงสติต้องมีสัมปชัญญะด้วยมันเป็นของคู่กันเป็นสิ่งที่น่าสังเกตคือคำว่าสัมปชาโนแปลว่าสัมปัญญาสมปชัญญาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นธรรมที่ปรากฏคู่กัคู่กับสติอยู่ตลอดกาลสติมาสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกพิชาโทมานัตสังเลยินสัมปชัญญะก็คือปัญญา การฝึกฝนในเรื่องสตินี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปัญญานั่นเองสัมปัญญะก็คือตัวปัญญาความรู้ความเข้าใจจะหนักชัดในสิ่งที่สติกำหนดไว้นั้นหรือสิ่งที่สติลุ่มหลงฟังให้ดีว่าสติจกเป็นตัวคอย ที่จะควบคุมงานจิตเป็นตัวสั่งงานอายาตนะเป็นตัวทำงานสัมปชัญญะเป็นตัวตรวจงานของสติช่วยฟังให้ดีสัมปชัญญะนี่จะเป็นตัวตรวจเป็นอินสเปกเตอร์สติเป็นตัวคุมเป็นโฟแมนอย่างนี้แหละ เป็นตัวควบคุมงานจิตเป็นตัวสั่งงานตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้เป็นตัวทํางานอยู่ตลอดมันมีผู้ทํางานมีผู้สั่งงานมีผู้ควบคุมงานแล้วมันจะมีผู้ตรวจงานผู้ตัวงานนี่ถ้ า, าล้มเหลวไปผู้สั่งงานก็จะสั่งไปทั่วตามใจชอบสเปะสะปา ผู้ควบคุมงานถ้าออนแอมันก็ปล่อยเลยไม่ควบคุมแล้วแต่มันจะสั่งการทํางานมันก็แล้วแต่มันจะเป็นไปส่วนมาก็ไปกับสิ่งที่มันง่ายเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปลืมว่าในเรื่องสติปัญญานนั่นตัวสําคัญอีกตัวนึงคือสัมปชัญญะเอแไปว่าสติละลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวรู้ตัวอะไรรู้ตัวว่าละลึกได้รู้ตัวว่าละลึกไม่ได้ในขณะนี้เราจะรู้ตัวต่อไปว่าทํำยังไงจะระลึกได้ อย่างนี้แหละเมื่อมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ผสมกันทั้งสติและสัมปชัญญะแล้วมันก็จะกำจัดความพอใจไม่พอใจออกแก่โลกเสียได้วิเนยโลเกะพิชาโทมานัสสังแสดงถึงท่าทีที่เป็นผลจากการมีสติสัมปชัญญะ ว่าเป็นกลางเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสผูกพันทั้งในแง่ติดใจอยากได้และขัดเครื่องเสียใจในกรณีนั้นนั่นข้อความต่อท้ายก็เหมือนกันทุกข้อที่ว่ามองเห็นความเกิดความเสื่อมสิ้นไปนี่ขยายวายะธรรมะเสื่อมไปทำที่เสื่อมไปสิ้นไปหรือบางทีก็บอกว่า ทำที่เกิดขึ้นทำที่เสื่อมไปในกายนี้หรือทั้งทำที่เกิดขึ้นทั้งทำ ท, ท, ที่เสื่อมไปในกายนี้ในเวทนานี้อยู่ในจิตนี้ในธรรมนี้เห็นอย่างนี้แสดงถึงการพิจารณาเข้าใจตามหลักไตรลักษณ์จากนั้นจงนึงมีทัศนคติที่เป็นผลเกิดขึ้นคือการมองและรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นตามภาวะของมันเองเช่นที่ว่ากายมีอยู่เป็นต้น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 ไม่อิงอาศัยไม่อาศัยอยู่กับความพอใจไม่อาศัยอยู่กับความไม่พอใจไม่อาศัยอยู่กับความรักไม่อาศัยอยู่กับความช่างจึงเรียกว่าณจะเมตันิสิตโตไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใดๆไม่ขึ้นต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ขึ้นต่อสิ่งรักสิ่งที่ช่างที่เป็นปัะจัยภายนอกและไม่ยึดมั่นสิ่งใดๆในโลก้วยตัะหาัอุปาทาน เพื่อให้มองเห็นเนื้อความชัดเจนยิ่งขึ้นก็ขอยกคำบาลีที่สำคัญนำ ม, มาแปลมาแสดงความหมายไว้โดยยอดดังนี้คือตัวกายยกานุปัสสีแปลว่าพิจารณาเห็นกายในกายคือมองเห็นในกายว่าเป็นกายมองเห็นกายตามสภาวะซึ่งเป็นที่ประชุมหรือประกอบกันข้าวแห่งส่วนประกอบอวัยวะน้อยใหญ่ต่าง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 ดูกายไพ่ไปเห็นคนช่างบ้างคนรักบ้างเนี่ยดูกายมองชอบไปเห็นคนที่ชอบบางชมบ้างน่ารักน่าชังเขาคือคนโบราณที่ว่าสิ่งที่ดูกับมองไม่เห็นไพ่ไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูเมื่อไม่เห็นก็หลงติดกับหรือติดอยู่ก็พ้นไปไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นเห็นอย่างนี้ เยอที่ทั้งนะตังปัสสติส า, าบาลีสิ่งที่สิ่งที่เห็นกับไม่ได้ดูคือคือคือเห็นกายกับไม่ดูกายนะนะดันไปดูความสวยความงามในกายดูความเป็นหญิงเป็นชายในกายด้วยเยที่ทั้งนะตังปัสสติโลปัสสังตังภ า, าบาลีพฟังไปแล้วดีกับหน้ากับหลัง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 สัมมาทิธิสัมมาสติมันมีคําว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาอาตาปีนั่นน่ะแต่ว่าสัมมาวายามะมีความภาคเพียรชอบอยู่สัมปชานโนยัง ม, มีสัมมาทิธิคือเห็นอย่างถูกต้องสัมมาสติมีความระลึกเฉพาะอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นองค์มรรคประจำสามข้อที่ต้องใช้ควบคู่ไปด้วยกันเสมอในการเจริญสติปัะฐานทุกๆข้อความเพียรคอยนุนเร้าจิตไม่ให้ยอดท้อหดหูไม่ให้รีลอล้าถอยไม่ให้มันล้าหลังซึ่งก็ไม่เปิดช่องให้กุศลธรรมเกิดขึ้นแต่ก็เป็นแรงเร่งให้จิตเดินรุดหน้าไปนุนให้กุศลธรรมต่างๆจเจริญยิ่งขึ้น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 ตามาก็ลงท้ายว่าวิเนยโลเกอพิชาโทมนัตสงังแปลว่ากำจัดอภิชาโทมนัศในโลกเสียได้หมายความว่าเมื่อปฏิบัติเช่นนี้จิตใ จ, จก็จะปลอดโปร่งเบิกบานไม่มีความติดใจยอยากได้และความขัดใจเสียใจเข้ามาครอบงำรบกวนสุดท้ายจะสรุปว่าอธิกายโยติวาปนัตสสติปจุ ป, ปิตาหติยาวะเทวยาณมตตายะ ปฏิส ต, ติมัตตาครับแปลว่าเธอมีสติปรากฏชัดว่ากายมีอยู่เพียงเพื่อให้เรารู้และพอสําหรับจะระลึกเข้านั้นคือมีสติกําหนดชัดเจนตรงความจริงว่ามีแต่กายอธิแปลว่ามีกายโยติกายมีอยู่หรือว่ามีแต่กายไม่ใช่สัตร์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ยญิงชายตัวตนของตนของเขาของใครเป็นต้น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 อธิเวทนาติวาปนสัสติตปัจจุปติตาโหติยาวะเทวญาณมัตตาญาปิติสติมัตตาญาขว่าอย่างเดียวกันอธิจิตติวะปนสัสถิปัจจุปติตโตโหติก็อย่างเดียวกันอธิธัมติวาปนสัสติตขว่าอย่างเดียวกันว่ามีเพียงคำเท่าน ini, care, ั้นมีเพียงเวทนาเท่านั้นมีเพียงจิตเท่านั้นมีใจกายเท่านั้น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 เห็นมาก็สักแต่ว่าเห็นแล้วก็จบกันอย่างนี้เรียกว่าอ น, นิสิตโตจะวิหะรติไม่แอบอิงอาศัยมีจิตใจเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อสิ่งใดะจะกินจิโลกเก อ, อุปาธิยาติอีกทั้งไม่ถือมัน่นใดๆอะไรๆในโลกไม่ยึดจิดถือมั่นสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นโลกเป็นเวทนาหรือสัญญาสังขารวิญญาณ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 มองในตัวเองมันก็มีทั้งคำว่าอัชตังวาประหิตทางวามองดูตนเองมองดูผู้อื่นก็ได้อัชตังวาของเราภระหิตทางวาของคนอื่นภายนอกเนี่ยหมายความว่าภายนอกหมายถึงผู้อื่นก็ได้หรือว่าภายนอกหมายถึงกายอยู่ภายนอกภายในหมายถึงส่วนที่มันปุ้งมันแต่ ง, งันอยู่ภายในก็ได้เพราจะภายนอกภิกษุแม้แต่ในจิตก็เหมือนกัน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 ก็รู้ตรงไปตรงมาเท่าที่ยานนั่นรู้ถ้าไม่มียานก็ไม่ต้องไปสอดรู้สอดเห็นจะได้ไม่คิดปรุงแต่งบุ่นวายไปเกี่ยวกับคนอื่นทําให้เกิดราคะบ้างตังโทสะบ้างโมหะบ้างถ้าไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วไปไม่ได้หมายความว่าจะให้คอยสืบสอดตามดูพฤติการทางกายทางใจของผู้อื่นแต่ประการใดอย่าลืมว่าบางท่านมันรู้นะ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 ก็เลยเพอจะสรุปในแนวหนึ่งว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือการเป็นโยชน์ด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งจะทําให้ภาพตัว ต, วตนที่จิตอวิชามันปั้นมันปรุงมันแต่งนั้นนะไม่ให้มันมีช่องที่จะแทรกตัวเข้ามาในความคิดแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้เลย <c oughs> อย่างนี้แหละเรียกว่าเจริญวิปัสนาอย่างนี้ไม่ได้พูดถึงสมถะกันนะ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 เพราะทุกคนสามารถปฏิบัติได้เองและใช้ในยามปกติเพื่อความมีสุขภาพกิจที่ดีที่งามได้ด้วยเพราะฝรังเขาเขียนหนังสือของนายจาคอบสันนะที่เ ข, เขียนหนังสือเรื่อง Buddhist The Reliance of Analysis นะเขาเขียนเขียนอยู่เขาได้เชิดชูบูชาเรื่องสติปัะทา mindfulness Foundations of m หม่ฟูลเนของเราเนี่ยยังไงก็ตามเราก็ไม่สนใจเราจะพูดถึงเรื่องของเราของการเจริญสติปัฏฐานตามแนวความคำสังสอนของพระพุทธเจ้าองค์ประกอบสิ่งที่ร่วมอยู่ในกระบวนการปฏิบัติมีสองฝ่ายคือฝ่ายที่ทาตัวการที่คอยกำหนดหรือคอยสังเกตเพ่งพินนิต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 หรือที่กําลังเกิดขึ้นที่มันเป็นไปอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะ น, นั่นเองอีกองค์ประกอบที่สามก็คือฝ่ายที่ทําคือคอยกําหนดคอยเพ่งพิจารณาเป็นตัวการหลักของสติปัฏฐานได้แก่สติมีตัวตัวกระทําสัมปชัญญะคือตัวที่จะต้องทํางานตัวที่ตัวกระทําก็คือเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมเนี่ย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 ตัวว่าฉันกำลังทำนั่นทำนี่กลายเป็นการสร้างภาพตัวตนขึ้นมาคือการกาหนดรู้ให้มันรู้เฉยๆว่าไม่ใช่ฉันแต่รู้อาการกระทาการเคื่อนกันไว้ของกลุ่มก้อนอันนี้เนี่ยไม่ได้สร้างภาพตัวตนขึ้นมานี่เราสร้างภาพตัวตนขึ้นมาและจิตก็ไปจดจ่ออยู่กับภาพตัวตนอันนั้นเกิดความเกรงตัวขึ้นมา อย่างน้อยจิตก็ไม่ได้อยู่ที่งานทำให้งานที่กำลังทํานั่นแทนที่จะได้ผลดีกับกลายเป็นเสียไปสำหรับคนที่เข้าใจไปเช่นนั้นก็เพิ่งมองความหมายของสติในแง่ที่ว่าการนึกไว้การกุมจิตไว้กับอารมณ์จะฟังให้ดีคุมจิตนี้ไวกับอารมณ์เท่านั้นมันจะดิ่จะไปไหนมีอะไรมาแสกช่างหัวมันแต่จะคุมมันไวรับรู้สับเนี้ย การคุมจิตไว้กับจิตที่กําลังกระทําหรือคุมจิตไว้ในกระแสของการทำมองความหมายของสัมปชัญญะในไงว่าการรู้ชัดสิ่งที่นึกไว้รู้ชัดสิ่งที่กําลังกระทำไม่ใช่เอาสติมากําหนดตัวตนว่าฉันทํานั่นทํานี่ให้นึกถึงงานคือนึกถึงสิ่งที่ทําไม่ใช่นึกถึงตัวผู้ทําให้สติตามกําหนดอยู่กับสิ่งที่กําลังกระทําหรือกําลังเป็นไปจน ไม่มีโอกาสนึกถึงตัวเองจะลืมตัวเองว่าเป็นผู้กระทำหรือตัวผู้ผู้ที่ถูกทำนั้นลืมมันเลยคือใจอยู่กับสิ่งที่ทำนั่นจนกระทั่งความรู้สึ ก, กว่าตัวฉันความรู้สึ ก, กว่าของฉัน ต, ตัวผู้กระทำไม่มีโอกาสเกิดขึ้นใดเลยนี่ขอให้เข้าใจให้ดีๆนะไอ้ไ อ, อ้เรื่องสติปัะฐานเนี่ยแต่ทำไม่ถูกวันทีมันเป็นป้านะมีมีผู้ปฏิบัต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 คือดูเห็นเข้าใจว่าอะไรกำลังเป็นไปอย่างไรปรากฏผลอย่างไรเข้าเผชิญหน้ารับรู้พิจารณาเข้าใจตามดูมันไปให้ทันทุกอย่างขณะเท่านั้นทุกอย่างกล่าวทุกทุกขณะไม่สร้างปฏิกิริยาใดๆขึ้นในใจไม่มีการคิดกาหนดค่าไม่มีการตีราคาวิจารณ์ไม่มีการวินิจฉัยว่าดีชั่วโทเกตเป็นต้นไม่ใส่ใจความรู้สึก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 ให้มันเป็นออบเจกทีฟอย่าให้มันเป็นสับเจกทีฟเกิดมาอาการที่เป็นอยู่มีสุติสัมปชัญญะตลอดเวลาเช่นนี้มีลักษณะสําคัญอย่างหนึง่งที่เรียกว่าเป็นอยู่ในปัจจุบนันเรียกว่าให้เป็นอยู่ในปัจจุบนันมีชีวิตอยู่ในขณะปัจจุบนันชีวิตอยูข่ขณะเดียวขณะเดียวขณะใดๆในปัจจุบนัน ก็คือสติกำนดตามท่านสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่หรือกระทาอยู่ในขณะนั้นนั่นแ ต, แต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะไม่ปล่อยให้มันคาดกันไปไม่ติดข้องข้างท่าอ้อยอิ่งอยู่กับอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วผิวแผ่วเสียดายอะไรอาร้อนที่มันผ่านไปล่วงไปแล้วไม่คอไม่ลอยคว้างไปข้างหน้า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 ทำให้ไม่ตกเป็นทาสของตัญหาไม่ถูกตันหาล่อไว้หรือชักจูงไปนั่นเองแต่เป็นการเป็นอยู่ด้วยปัญญาทำให้เกิดความรู้พร้อมทั้งการปลอดโปร่งพองใสเบาสบายปล่อยวางปล่อยวางโดยตัวมันเองของจิต <Okay. S 1> การที่เราทำอย่างนี้มันจะก่อให้เกิดความบริสุทธิ์เมื่อสติจับโยกสียงที่ต้องการกำหนดอย่างเดียวสมปัญญะ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 ก็ไม่ย่อมไม่มีความยึดมั่นถือมั่นต่างๆถ้าเราหลงเข้าไปมันเกิดมีความยึดมั่นถือมันต่างๆแต่ตนี่เราจะทําไม่มีช่องที่กิเลสทั้งหลายเช่นความโกรธความรักความพอใจะจะเกิดขึ้นได้เป็นวิธีกําจัดอาสวะเก่าและป้องกันอาสวะใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นท่านจะบอกวา่าวิเนยะอโลเกวิเนยะอะโลเกทอนทอนทอ น, ท อ, นออกจากโลกทั้งของเก่าทั้งของใหม่ อระพิจาโทมณฑาฝังความพอใจความไม่พอใจอย่าง น, นี้มันบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันก็เป็นอิสระเมื่อมีสภาพจิตที่บริสุทธิ์ตั้งกล่าวแล้วไม่ไม่ไม่ไม่หลงเข้าไปยึดมั่นถึงมันบริสุทธิ์ก็มีความเป็นอิสระด้วยโดยไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบอันว่าดี เข้ามากระทบ Hope, ก็ไม่หวั่นไหวไปมันเป็นอิสระยืนตัวเรารู้รับทราบอารมณ์เรานั้นถูกใช้เป็นวัตถุสำหรับศึกษาพิจารณาแบบสภาวะวิสัยไม่ว่าอารมณ์ใดเกิดมาดีชั่วก็ตามพอใจไม่พอใจเป็นเนื้อกระโพสติเป็นบวกเป็นลบมาก็ตามก็จเจ้าซึ่งเรานั้นมาเป็นเครื่องมือมาเป็นวัตถุ สำหรับศึกษาพิจานณาให้เป็นสภาววิสัยเป็นออบเจกติไปหมดเมื่อไม่ถูกแปลความหมายตามอำนาจอาตวะที่เป็นตามอำนาจของกิเลสตัณหาเป็นสกาววิสัยเป็น subject ซึ่งเราน้ามก็ไม่มีอิทธิพลตามสกาววิสัยที่บุคคลนั้น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 ไม่อิงอาศัยที่เรียกว่าหหนะจะเมตันนิสิโตไม่ไม่ไม่แอบอิงอาศัยไม่ขึ้นต่อตันหาที่ทไม่ยึดมั่นสิ่งใดในโลกนี่ดูให้ดีๆทั้งบอรลีสุดทั้งเป็นอิตรลทั้งปัญญาเมื่อมีกระบวนการทำงานของจิตเช่นนี้ปัญญายอมทำหน้าที่โดยผลดีที่สุด เพราะจะไม่ถูกเครือบหรืออันเหนไปด้ยวยความรู้สึกเอ็นเอียงอคติต่างๆทําให้รู้เห็นได้ตามที่มันเป็นรือคือรู้ตามความจริงต่อมาเมื่อพ้นทุกข์เมื่อจิตอยู่ในภาวะตื่นตัวเข้าใจสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นและคอยรักษาท่าที่ของจิตอยู่ได้อย่างนี้ความรู้สึกเ อ, เอเ็นเอียงไปในทางบวกทางลบต่อสิ่งนั้น ที่ยิไม่ใช่เป็นเปนโดยเหตุผลบริสุทธิ์จมเกิดขึ้นไม่ได้จึงไม่มีทางความรู้สึกในด้านกระหายอยากที่เรียกว่าอภิชาและความคัดเครื่องกระทบใจที่เรียกว่าโทมนัสสังปราศจากอาการกระบนกระวา ย, ยแอนเซอรตีต่างๆมันไม่มีเป็นภาวะจิตที่เรียกว่าพ้นทุกมีความโปร่งเบาพอนคลายส ง, งบ เป็นตัวของตนเองอย่างนี้แหละมันเป็นข้าบ้วนการที่สมบูรณ์แบบทั้งความบริสุทธิ์ทั้งความเป็นอิสระทั้งปัญญาทั้งความพ้นทุกข์ปร่งร่อ ง, งเบาสบายพ่อนคลายสงบเป็นตัวของตนเองที่พูดมาทั้งหมดนี้นเป็นความจริงที่สัมพันธ์กันเป็นอันเดียวกันเป็นแต่เยี่ยกลาวในแง่ต่างๆสลูปตามแนวปฏจิจจสมุญปัณธรรมก็ดีในใจรักก็ดีในความว่า แต่เดิมนั้นคนเราไม่รู้ตัวตนที่ตนยึดถือเอาไว้ว่ามันไม่มีจริงเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงกระแสของรูปประทับนามประธรบส่วนย่อยจํานวนมากมายที่สัมพันธ์เนื่องอาจใช้เป็นเหตุเป็นปัจเจกเสืบต่อกันกําลังเกิดขึ้นกําลังเสื่อมสลายกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่รู้ชนิดจึงเกิดความยึดมัน่นถือมัน่นเอาความรู้สึกของตอนเองต่างๆนึกคิด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 ส่วนย่อยในยขณะนั้นนั่นมันลอกเอานั่นเองความจริงมันไม่ได้หลอกลว่ามันเปิดเผย อ, อยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ปังปิดบงดังตนเองเมื่ออยู่ในสภาว่าถูกหลอกเช่นนั้นก็คือการตั้งต้นความคิดที่ผิดพลาดจึงถูกชักจูงบังคับให้คิดเห็นรู้สึกทําการต่างๆไปตออามอำนาจของสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นตัวตนของตขนขณะนั้นนั้นเราปฏิบัติตามหลักสติปติฐานเมื่อเรามาปฏิบัติต ยิ่งตามสติประทานเราก็จะมองเห็นรูกประทับเห็นนามประทับแต่ละอย่างที่เป็นส่วนประกอบเป็นกระแสที่กําลังเกิดดับอยู่ตามสภาวะของมันเมื่อเราพิจารณาส่วนประกอบต่างๆในกระแสแยกแย่งออกมองเห็นกระจายไปเป็นส่วนตัวเป็นคณะเป็นคณะเป็นขณะมองเห็นอาการดําเนินสืบต่อกันไปเป็นกระบวนการให้ย่อมไม่ถูกหลอกให้ยึดถือสิ่งนั้นนว่าเป็นตัวตนของตน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 ป่อวางอิสรภาพอยู่เช่นนี้สติปัญญาก็ทํางานได้อย่างเต็มที่มีกําลังมันกับร่างกายสมบูรณ์แ ข, ข็งขาอะไรต่างๆก็ทำงานได้เต็มที่เพราะฉะนั้นกนรารปฏิบัติตามหลักสติปัญฐานจะเป็นวิธีการชําระร่างอาการเป็นโรคต่างๆที่มีในจิตคือโรคจิตความยึดมัน่นหรือมั่นความพอใจไม่พอใจตำหนักขัดเคลื่องต่างๆรู้ได้เป็นโรคของมันสิ่งที่เป็นเงื่อนเป็นปมมิโนปัสสัค ขัดขวางความเจริญการทำงานของจิตก็หมดไปทําให้ปลอดโปรง่งพร้อมที่จะดํารงชีวิตอยู่ประเผชิญและจัดการกับสิ่งตั้งายในโลกโดยความเข้มแข็งและสดชื่นต่อไปเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นอย่างนี้กลายเป็นผู้ไม่มีโลกไม่มีภัยเป็นอรโธขยะปรมาราผ่าความไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐและโลกชนิดไหนพระพุทธเจ้าของเราถ้าดูก่อนพิสงข์ลายโลกมีอยู่สองชนิด โรคทางกายอย่างเหมือนโรคทางจิตอย่างนด้งแต่ทั้งหลายที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลาทั้งปีก็มีปรากฏอยู่ผู้ ท, ท, 4, 20, 30, 30, 50, ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลาสองปีสามปีสี่ปีห้าปีสี่ปียี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบถึงร้อยปีก็มีแต่สัตย์ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่เป็นโรคทางใจเลยแม้ช่วงเวลาเพียงคู่หนึง่งนั้นหาได้ยากในโลกพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะ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 กิจกรรมสามัญที่สุดของทุกๆค น, คนซึ่งเป็นประหยชน์ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันก็คือการรับรู้อารมณ์ต่างๆทางตาทางหูจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่อยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้เติมขึ้นเทนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้้วเป็นยังไงการรับรู้มันก็มีความรู้สึกพร้อมไปด้วยคือเวท น, นาพอใจไม่พ อ, พ อ, พอใจทอใจบางสนุบางทุกข์บง ไม่สบายบ้างเฉยๆบ้างเมื่อมีความรู้สึกสุขทุกข์มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในใจมันก็เกิดอีกแบบหนึ่งท่าทุกข์มันก็เกิดความรู้สึกชอบใจติดใ จ, ใจสิ่งนั้นถ้าไม่สบายได้ทุกข์ที่สิ่งใดก็ขาดใจไม่ชอบสิ่งนั้นเมื่อไม่ชอบมันก็อยากรับรู้อีกแบบใหม่ ถ้าขลองดีมันก็ถ้าชอบใจก็อยากรับรู้อีกอยากเสพซ้ำอยากได้อยากเอายากเป็นเมื่อไม่ชอบก่็เรียกหนี้อยากกําจัดอยากทําลายกระบวนการนี้ก็เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ไม่มีสิ้นสุดที่จิตใจผลักดันให้แสดงออกมาเป็นการพูดการกระทําทั้งน้อยทั้งใหญ่ชีวิตของคนต่างร้ายบทบาทของเขาในโลกการกระทําต่อ ก, กันและกันระหว่างมนุษย์เสิร์เนื่องมาจากกระบวนการไม่น้อยที่เป็นไปในชีวิตแต่ละขณะขณะขณะขณะ น, น, นี่แหละ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 ตกลงไปในอดีตบ้าง น, นะนะคตบ้างแลือรับรู้แล้วเกิดความชอบใจไม่ชอบใจจิตของเขาก็จะคล้องอยู่ขัดอยู่ส่วนหรือจดุดหรือแงใดแงหนึ่งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจของอารมณ์นั้นจับเอาผ่าพ้องอารมณ์นั้นจดดุจดใดจุดหนึ่งมาปงูงมาแต่งต่อไปเพราะนั้นสติจึงต้องทำงานหนักให้มันรู้เท่าทัาน ถ้ามิฉะนั้นมันไปไม่ไววความทุกข์ก็จะบีบคั้นจิตใจของเราอยู่ได้ตลอดเวลาไม่เป็นอิสระเมื่อมันเป็นอย่างนี้ตกอยู่ในอำนาจของความปรุงความแต่งประสบการณ์ต่างๆเป็นไปตามแนวทางภูมิหลังความเคยชินที่ได้สั่งสมไว้ เชิญขานนิยมทัศนคติทิฏฐิยึดถือนิยมเชิดชูบูชาเรียกว่าจิตตกอยู่ในภาวะถูกปุ้งแต่งปุ้งมากๆ ม, ม, มันก็กลายเป็นอุดมคติคัศนคติเป็นทิฏฐิเป็นขานิยมชมชอบมันก็เลยไม่อาจจะมองให้เห็นสิ่งทลายเป็นต่างๆให้เห็นประสบการณ์ล้วนๆตามที่มันเป็น เมื่อถูกปรุงถูกแต่งแล้วก็จะนาําเบาภาพปรุงแต่งในจิตในใจและประสบการณ์ใหม่ๆนั้นเข้าไปร่วมในการปรุงการแต่งต่อไปอีกเป็นการเสริมซ้ําการสร้างสมนิสัยความเคยชินของจิตให้แม่นนะยิงย่งขึ้นโอดมาทีหนึ่งก็เพิ่มอาสวะไว้ทีหนึ่งโอดมาทีหนึ่งก็เพิ่มไว้ทีหนึ่งรักมาทีหนึ่งก็เพิ่มไว้ทีหนึ่งดองไว้ทีหนึ่งเนี่ยมันเคยชินอย่างนี้แหละ ทำเร่องอะไรจริงจะทำให้มันหมดไปสิ้นไปเนี่ยมันต้องอาบใ ส, ส้สติเมื่อมีสติฝึกสติให้มันรู้เท่าทันสิ่งทงั้งหลายตามเป็นจริงไม่ให้มันบิดเบี้นไปเมื่อนั้นมันก็จะเกิดอีกอันหนึ่งก็คือว่าสโตโการีการกระทำสติโดยทั่วๆไปให้มันรู้เท่าทันอยู่อย่างนี้สโตการีสโตการีกรำหนด ให้สตินี่มันแก่กล้าอยู่ตลอดเวลารู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาก็จะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นให้จะว่าเป็นแล้วนี่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันตั้งอยู่ตามสภาพของมันแลวก็เป็นไปตามกฎธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าจะพูดเป็นภาพพจน์ก็ว่าความจริงนั่นมันเปิดเผยตัวมันเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ปิดบังไม่อำพรางแต่มนุษย์เราในปิดบังตนเองจากมันหรือไม่ก็มองภาพของมันบิดเบือนไปหรือไม่ก็ถึงกับหลอกลวงตัวของมนุษย์เองวัวตาปิดบังเพื่อนเอารงก็คือการตกลงไปในกระแสของขบวนการธรรมชาติ ฝ่ายกิลเลสดังได้กล่าวแล้วคือเครื่องปิดบงังบิดเบือนหรือว่าหลอกลวงก็มีอยู่แล้วยิ่งความเคยชินขอยชักล่าให้เควไปเสีย อ, อีกโอกาสที่จะรู้ความจริงมันก็แทบจะไม่มีแทบจะไม่มีสิ่งที่มันปิดบังหลอกลวงลเล้ือนๆมันมั น, ม, น, ม, นมันก็มีอยู่อย่างนี้ทีนี้ความเคยชินของเราตินิสัยเราสิมันก็ชินที่จะรักชินที่จะโกรธอยู่อย่างนี้ มึงสั่งสมกันมานานแักวนะนะที่ดีมันก็เลยความเคยชินนี่แหละก็ลากเราไปไปทางรักบ้างทางชังบ้างเอาพฤชาบ้างโคมานักบ้างโอกาสที่จะรู้ความเป็นจริงแห่งเป็นอิสระแทย์จะไม่มีทีนี้การจะเล่นสถิติประธานมันก็เป็นการสร้างนิสัยใหม่ปิดกั้นความเคยชินเก่าให้หมดไปสิ้นไป มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้พ้นจากอํำนาจความเคยชินนิสัยเก่าของเจตวพนั้นพุทตตะประวันนาหีนาทิคเวออัปอคัสปฏิโคติี่สุตังลายการบรรลุธรรมเลิศโดยการกระทําอันเลวๆย่อมไม่มีย่อมมีไม่ได้เลยการกระทําอันเลิศการบรรลุธรรมเลิศ้วยการกระทําอันเลิศย่อมมี